จึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้สามารถต่อสู้กับอุปสรรค กับสิ่งต่างๆที่จะต้องเผชิญในชีวิตให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ว้าหุ่นขุ่นหัวเพราะอำนาจของธรรมนี้เป็นอำนาจที่เหนือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถ มาทำให้จิตใจขุ่นบัวเศร้าหมองได้ถ้ามีธรรมะอยู่ภายในจิตในใจดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเท่ากับมีอาวุธไว้คุ้มครองจิตใจมีอาหารให้พลังแก่จิตใจ ธรรมะนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของสารโลกมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยปัจจุบันก็ดีธรรมะนี้มีความสำคัญเหมือนกับอาหารของร่างกายในอดีตอาหารก็มีความสำคัญต่อร่างกายในปัจจุบัน อาหารก็มีความสำคัญต่อร่างกายในอนาคตอาหารก็มีความจำเป็นต่อร่างกายไม่มีวันหมดความสำคัญไปเช่นเดียวกับธรรมะกับใจเพราะธรรมะเป็นอาหารของใจนั่นเองผู้ที่ไม่มีธรรมะจะมีจิตใจอ่อนไหวง่ายจะทุกข์จะวุ่นวายได้ง่ายแต่ผู้ที่มีธรรมะ จะมีใจที่หนักแน่นมีใจที่มีพลังต้านความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นบัวต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติธรรมะมาแล้วจนมีพระธรรมเต็มพระไทยจนไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายพระไทยของพระองค์ได้เลยภาษาวกก็เช่นเดียวกัน ได้ปฏิบัติธรรมจนจิตใจของท่านเต็มไปด้วยธรรมไม่มีที่ว่างให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายใจของท่านได้เลยพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเรามันปฏิบัติธรรมกันมันศึกษาธรรมกันแล้วเราจะมีธรรมะอยู่ภายในใจไว้ รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ชนิดใดก็ตามจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่ทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวได้เลยจึงขอให้เราให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติธรรมให้มากให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สงั่งสอนทรงสอนให้มีจาระค ก็คือให้มีความเสียสละทรงสอนให้มีศีลคือให้ตั้งอยู่ในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทรงสอนให้มีความอดทนและทรงสอนให้มีความอดกลั้นถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วใจของเราจะมีอาวุธไว้คุ้มครอง จะทำให้ใจของเราไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ทรมานใจการเสียสละหรือจาคะนี้เป็นการเป็นคุณธรรมที่สำคัญเพราะเป็นการปล่อยวางความยึดติดในสิ่งต่างๆนั่นเองตราถ้าเรายังมีความยึดติดเราจะมีความหวงและเราจะมีความห่วงใย และเราจะมีความเสียใจเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เราหวงที่เรายึดติด mm hmm. แต่ถ้าเราไม่หวงเรามีการเสียสลับคือมีการให้ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เวลาที่เราเสียอะไรไป mm hmm. เราจะรู้สึกเฉยๆแทนที่จะเสียใจ เรากับจะมีความสุขใจเพราะเรายินดีที่จะเสียนั่นเองถ้าเรายินดีที่จะเสียแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะมีความสุขใจเช่นวันนี้ญาติโยมก็ยินดีที่จะเสียเสียเงินเสียทองเสื้อไปซื้อข้าวของต่างๆกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระ เสียเงินบอยจากให้กับวันเพื่อทำนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาญาติโ ย, ยมไม่เสียใจแต่ญาติโยมมีความสกใจมีความดีใจเพราะยินดีที่จะเสียนั่นเองการเสียสละก็คือการยินดีที่จะเสียพร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ ถ้าเราพร้อมแล้วเวลาเราเสียอะไรไปแทนที่จะเสีย อ, อกเสียใจเรากลับจะมีความสุขใจเพราะเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเองเวลาเราเสียอะไรไปก็แสดงว่าเราเสียความสุขแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นไปวันนี้เราแบ่งความสุขมาให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรและ สัทธา ญ, ญาติโยนที่มาร่วมทาบนด้วยกันเราให้ด้วยความยินดีพร้อมที่จะเสียแล้วแทนที่เราจะเสียใจเรากลับมีความสุขใจในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่พร้อมที่จะเสียเวลาเราเสียอะไรไปเราจะมีความเศร้าสศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือบางทีถึงกับไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปในโลกนี้บางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นเองเลยคิดว่าไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แล้วไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปนี่เป็นเพราะว่าไม่เคยเสียไม่เคย ยินดีที่จะเสียมีแต่รักมีแต่หวงการรักการหวงสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆนี้เป็นโทษต่อจิตใจเพราะเวลาที่ต้องสูญเสียคนรักหรือสิ่งที่รักไปจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแต่ถ้ายินดีพร้อมที่จะเสีย จะไม่มีความทุกข์ใจจะไม่เสียใจในขณะที่อยู่ก็จะไม่มีความกังวลใจในขณะที่อยู่ด้วยกันก็จะไม่กังวลจะไม่ห่วงอยู่ก็อยู่ไปจะไปก็ปล่อยให้ไปเพราะยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่นั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันไป ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้ mm. เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปยใจก็ต้องไปตามลนพังเอาร่างกายไปไม่ได้เอาสมบัติเท่าของเงินทองไปไม่ได้เอาบุคคลต่างๆไปไม่ได้ถ้าไปด้วยความยินดีคือไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะไป เพราะรู้ว่าจะต้องไปสักวันหนึ่งจึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตลอดเวลาพอถึงเวลาก็ไปเลยอย่างนี้จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจจะไปอย่างสุขโตไปด้วยความสุขไปด้วยความเจริญไปสู่พบที่ดีแต่ถ้าไปด้วยความเศร้าโกศกเสียใจ ไปด้วยความทุกข์ทรมานใจก็จะไปแบบทุกขติจะไปสู่ทุกขติจะไปสู่พบที่ไม่ดีต่อไปนี่คือความสำคัญของการเสียสละขอให้เราพร้อมที่จะเสียสละเสมอให้เตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง จะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือเราจะไม่อยู่กับเขาไปตลอดสักวันหนึ่งไม่เขาก็เราจะต้องแยกทางกันจะต้องไปันคนละทิศคนละทางถ้าเราสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะกล้าที่จะเสียสละเราจะดูเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเราจะไม่เก็บไว้ให้มาเป็นภาระ ทางจิตใจไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่เราให้ไปเลยสิ่งไหนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมียกให้คนอื่นไปและเราจะรู้สึกเบาอกเบาใจขึ้นเวลาเรามีเราจะรู้สึกหนัก อ, อกหนักใจเพราะจะต้องคอยกังวลดูแลรักษาห่วงหน้าห่วงหลัง จะไปไหนมาไหนก็จะไม่ค่อยอยากจะไปเพราะกลัวจะสูญเสียสิ่งที่รักไปโดยไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่สิ่งที่รับที่ตนเองมีอยู่แทนที่จะให้ความสุขกับให้ความทุกข์ความกังวลใจถ้าเราให้ไปแล้วความทุกข์ความกังวลใจ กับสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปดังนั้นขอให้เราฝึกให้ไวเถิดแล้วเราจะมีความสุขเราจะอยู่อย่างสบายสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราควรให้ก็มีอยู่4ี่ประการด้วยกันก็คือลาบยศสรรเสริญสุขนี่เองพวกเราทุกคนนี้ชอบได้ลาบชอบได้ยศ ชอบคำสรรเสริญชอบความสุขกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหมายความว่าเราไม่ได้ลาบตลอดไม่ได้ยศตลอดไม่ได้สรรเสริญตลอดไม่ได้สุขตลอดเพราะมีส่วนที่เราไม่ปรารถนาที่เราจะต้องได้รับด้วย คือถ้าเราได้รอบได้ลได้ลาบสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อยศได้สรรเสริญสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับการนินทาได้ความสุขสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับความทุกข์เพราะนี่เป็นปกติเป็นธรรมดาของธรรมะเหล่านี้ เขาไม่อยู่นิ่งเฉยยเขาไม่ไม่เจริญอย่างเดียวเขามีการเสื่อมสลับกันไปมีการเจริญลาบแล้วก็มีการเสรื่อมลาบมีการเจริญยศแล้วก็มีการเสรื่อมยศมีการสรรเสริญก็มีการนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปนี่คือ สิ่งที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องสัมผัสจะต้องประสบกันทุกคนไม่ยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ต้องประสบเช่นเดียวกันแต่ท่านประสบอย่างฉลาดคือท่านประสบแบบไม่ยึดไม่ติดท่านยินดีที่จะให้สิ่งเหล่านี้จากท่านไปท่านพร้อมที่จะให้เสือ่อมลา ให้เสื่อมยน่นให้มีนินทาให้มีความทุกข์จิตใจของท่านรับได้ทั้งสองส่วนส่วนจเจริญ ก, ก็รับได้ส่วนที่เสื่อมก็รับได้นี่คือจิตของคนฉลาดจะเป็นอย่างนี้จะไม่ยึดไม่ติดกับลาภลดสารเสริญสุดเมื่อไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เสื่อมลาภเสื่อมยน่นเวลาที่มีนินทามีความทุกข์ เพราะใจไม่ได้ยินดียินร้ายกับธรรมะเหล่านี้นั่นเองเราต้องฝึกทาใจให้ยินดีให้พร้อมที่จะรับกับการเสื่อมของลาบยศชรเสริญสุดเวลาสูญเสียเงินทองไปก็อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจวิธีที่จะทำไม่ให้เสีย อ, อกเสียใจก็คืออย่าอาศัยเงินทองมากจนเกินไป อาศัยเท่าที่จำเป็นคือให้มีเงินทองไว้ซื้อปัจจัยสี่ก็พอแล้วก็ต้องอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายคือให้ใช้เงินให้น้อยที่สุดสำหรับการซื้อปัจจัยส่มาโดยแลรักษาชีวิตถ้าเราอยู่อย่างสมัฒนเรียบง่ายมากน้อยสัมโดดได้เราจะไม่ต้องอาศัยเงินทองมากจนเกินไป และเราจะมีเงินทองเก็บไว้สำรองมากจนจะทำให้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการ ส, สูญเสียเงินทองถ้าสูญเสียไปบ้างมากน้อยก็ไม่เดือดร้อนเพราะจะมีเหลือใช้ยอยู่เสมอเพราะใช้ไม่มากนั่นเองแต่ถ้าเราอาศัยเงินทองมากจนเกินไปอาศัยทุก อ, อาศัยเงินทองซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งๆ ท, ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่พอซื้อมแล้วมันจะติดเป็นนิสัยพอวันไหนไม่ได้ซื้อวันไหนไม่ได้ใช้เงินจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแล้วถ้าวันไหนไม่มีเงินใช้เลยนี้จะทรมารใจจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่คนที่ไม่ใช้เงินใช้ทองมากเกินไปเวลาไม่มีเงินทอง ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือการที่เราจะอยู่รวยที่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเงินทองเราต้องแบ่งเงินทองให้กับผู้อื่นเอาไปทำบุญให้ทานถ้ามีมากเกินไปอยาเก็บเอาไว้มากเพราะมันจะเป็นภาระทำให้เราต้องมาคอยกังวลรักษาดูแลและเวลา หายไปก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่เก็บเอาไว้มากมีอะไรเอาไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาเดือดร้อนเราจะมีความสุขใจและเวลาที่เราไม่มีเงินไม่มีทองเราจะอยู่ได้อย่างสบายเพราะเราไม่อาศัยเงินอาศัยทองมากจนเกินไปนั่นเองอาศัยเพียงแต่ให้มี อาหารรับประทานไปวันวันหนึ่งเท่านั้นซึ่งพวกเราทุกคนก็มีด้วยกันทุกคนตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ไม่มีใครไม่มีอาหารรับประทานกันมีอาหารรับประทานกันเสมอเพราะมันไม่ยากจนเกินไปสําหรับพวกเราที่จะหาอาหารมารับประทานดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมีความทุกข์กับการขาดเงินขาดทองที่เรา ทุ ก, กันก็เพราะว่าเราติดการใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอย่างนี้เงินทองมีเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้แล้วก็จะเดือดร้อนจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ต่อแล้วถ้าไม่มีเงินทองที่จะไปใช้ใช้หนี้สิน ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีที่ไม่ชอบไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วต่อไปก็จะต้องเข้าไปติดคุกติดตรางยิ่งทุกทรมาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแทนที่จะอยู่เฉยๆไม่มีเงินใช้ก็อยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่ต้องไปติดคุกติดตรางไม่ต้องไปทำบาปทำกรรม ไม่ต้องไปทำให้ตนเองเสื่อมเสียเป็นคนที่ถูกผู้อื่นเขาตำหนิเป็นคนที่ผู้อื่นเขารังเกียจเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ถ้าเรามีจาระคาและมีความอดทนอดกลั้นมีศีลคือเราจะไม่ไปทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างไรใจลำบากอย่างไร จะอดเกียร์ขาดแค็งอย่างไรก็จะไม่ไปทำผิดศีลยอมตายดีกว่ายอมอดตายดีกว่าที่จะไปทำผิดศีลแต่รับรองได้ว่าไม่ตายหรอกในโลกนี้มีอาหารให้เราหารับประทานกันได้ทุกคนถ้าเราไม่ขีด้เกดียจถ้าเราไม่ใจอ่อนแอวันไหนขาดบ้างก็อดบ้างทนบ้างไป วันไหนมีมากก็ค่อยรับประทานมากก็จะอยู่ได้ขอให้เรามีจาคะคือการเสียสละมีศีลคือไม่ทำผิดศีลแล้วก็มีความอดทน<ม>อดกลั้นชีวิตของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะอยู่สบายกว่าคนที่มีเงินมีทองแต่ เดือดร้อนเพราะใช้เงินใช้ทองมากเกินไปต้องคอยหาเงินหาทองมาเพิ่มอเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ใช้เงินใช้ทองต่อไปชีวิตแบบนั้นไม่มีความสุขเพราะมันเป็นเหมือนชีวิตของคนติดยาเสพติดเงินทองนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเช่นเดียวกันถ้าเราใช้เงินใช้ทองอยู่ทุกวันแล้วต้องใช้อยู่ทุกวัน วันไหนไม่ได้ใช้ก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคางใจทุกทรมานใจสแสดงว่าเราติดเหมือนคนติดยาเสพติดคนที่ไม่ติดกับการใช้เงินใช้ทองก็จะไม่เดือดร้อนจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงบ้านเมืองจะวุ่นวายอย่างไรก็จะไม่มากระทบกับจิตใจของเราเพราะเรามีอยู่มีกินเราก็พอใจแล้ว นี่คือความสุขของคนเราที่แท้จริงอยู่ตรงที่มีพอมีกินเท่านั้นเองพอมีพอกินแล้วสามารถทำใจของเราไม่ให้อยากใช้เงินใช้ทองไม่ให้อยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านอยู่บ้านก็มีความสุขมีข้าวกินมีอามีบ้านอยู่ มียารักษาโรคมีมีเครื่องนุ่งห่มเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับร่างกายสำหรับใจก็ขอให้มีความพอเท่านั้นเองเราจะมีความพอได้เราก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อความอยากอย่าไปทำตามความอยากตา่ตางๆที่ไม่จำเป็นเช่นอยากได้สิ่งของฟุ่มเฟือย ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดํารงชีพก็อย่าไปอยากได้มามีเสื้อผ้าพอใส่แล้วก็พอมีลมหายใจอยู่ได้แล้วก็พอไม่มีโทรทัศน์ดูก็ไม่ตายไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ก็ไม่ตายไม่มีรถขับก็ไม่ตายถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่จะมีสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปมีมัน หรือถ้ามีบุญมีวาสนาแต่กลับไม่อยากได้ก็มีคนบางคนมีเงินมีทองมากกลับไม่อยากได้อะไรกลับอยากจะอยู่แบบขอทานอยากจะออกบวชเป็นพระเพราะเห็นว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าไม่มีภาระทางด้านจิตใจไม่ต้องมาห่วงมากังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ คนที่ออกบวชกันนี้เขาเห็นแ้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่มีความพอเขาจึงพยายามต่อสู้กับความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอนั่นเองถ้าไม่มีความอยากหลงเหลือยอยู่ในใจแล้วก็จะมีความพอเมื่อมีความพอแล้วก็จะมีความสุข ความสุขอยู่ตรงนี้ถ้ามิถ้ายังมีความอยากอยู่ต่อให้ได้อะไรมามากเพียงไรก็ตามก็ยังจะไม่มีความสุขเพราะพอได้มาแล้วก็อยากจะได้ใหม่ลองสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรเราคิดว่าเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่พอเราได้มาไม่นานความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิด ความอยากขึ้นมาใหม่เพราะความอยากนี้มันไม่ตายไปตามความความที่เราได้สิ่งกันต่างมาความอยากนี้จะตายไปต่อเมื่อเราหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเหมือนคนที่เลิกสุราเลือเลิกบุหรี่ เวลาที่จะเลิกใหม่ๆนี้ความอยากจะมีกำลังมากแต่พอห่างความอยากได้ไปครั้งหนึ่งแล้วความอยากครั้งต่อไปก็จะอ่อนกำลังลงแล้วจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆพอหลังจากสามวันหรือห้าวันไปแล้วความอยากดื่มสุราหรือความอยากดื่มสูบบุหรี่ก็จะหายไปอยู่ที่การต่อสู้กับความอยาก ด้วยการใช้ขันติคือความอดทนใช้ความอดกลัน้นนี้ต่อสู้แล้วก็ใช้ปัญญาให้พิจารณา<ม>เห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้ไม่ได้พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่ความอยากจะพาไปสู่ความทุกข์เพราะจะต้องอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องสู่บหรี่ไปไม่มีวันสิ้นสุด จะต้องดื่มสุราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องซื้อของที่ฟุ่มเฟือยไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องไปเที่ยวอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าฝืนความอยากในสิ่งเหล่า น, นี้ได้แล้วต่อไปจะไม่ต้องไปเที่ยวจะไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยจะไม่ต้องสูบบุหรี่จะไม่ต้องดื่มสุรา แล้วอันไหนจะดีกว่ากันคนที่ต้องเที่ยวต้องดึนสุราต้องสูบบุหรีต้องซื้อของฟุ่มเฟือยกับคนที่ไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องสูบบุรีไม่ต้องเดินสุราใครจะดีกว่ากันใครจะมีเงินเหลือใช้มากกว่ากันใครจะมีสุขภาพที่ดีกว่ากันใครจะมีอายุที่ยืนยาวนานกว่ากันขอให้เราคิดแบบนี้นี่คือปัญญา คิดด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเราเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วเราจะฝืนไปทำตามความอยากได้อย่างไรเราก็จะเลิกอยากอย่า ง, างถาวรและเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเป็นชีวิตที่มีความโล่มเย็นเป็นความมีชีวิตที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่คือผลที่จะได้รับจากการ ต่อสู้กับความอยากด้วยการเสียสละด้วยการมีศีลด้วยการมีความอดทนอดกลั้นชีวิตของเราจะมีความสุขมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการมีจาระมีศีลด้ความอดทนอดกลั้นนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการต่อสู้กับความอยาก เพื่อให้เราได้พบกับความสุขคือความพอความสุขที่เกิดจากความพอนี้ให้ท่านได้ไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย